จิตตะคหาบดีชาวนาครมชิกาสนเห็นพระมหานามเทระหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีเที่ยวบินธบาตอยู่เลื่อมสายในอริยาบทสมณะสารูปของท่านจึงรับบาตรอาราธนาเข้าไปสู่เรือนของตนอังคา ด, ด้วยอาหารอันประนีตเมื่อเสร็จพัตกิจแล้วได้ฟังธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปติผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหว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 พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นแล้วจิตตคหาบุบดีผู้พั่งพร้อมด้วยศรัทธาและโภคะได้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานเพื่อสงฆ์ซึ่งจรมาจากทิศทั้งปวงเป็นผู้มีประตูเรือนเปิดแล้วสำหรับสาวกของพระศาสดาครั้งนั้นพระสุทธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดที่จิตตคหาบุบดีสร้างถวายนั้นฝ่ายพระอ克拉สาวกทั้งสองคือพระสารีบุตร และพระโมคคลานะได้สดับเสียงสรรเสริญคุณของจิตตะกะาบดีมีความประสงค์จะสงเคราะห์ให้ประสบบุญเป็นอันมากจึงเดินทางไปสู่นครมัชิกาสนกะฮาบดีทราบการมาของพระอค拉สาวกทั้งสองปราโมทปินที่ยิ่งเดินทางไปต้อนรับในระยะกึ่งโยธพาท่านผู้ประเสริฐทั้งสองไปสู่อารามของตนกระทาอาคันตุกะวัดเป็นอย่างดี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 ปราปลื้มเป็นนักหนาที่ได้ลิมรสอมตะธรรมที่สุ ข, ขุมลุ่มลึกถึงป่านนี้ท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอท่านและพระผู้เป็นบริวารได้โปรดรับภิกษาที่เรือนของข้าพเจ้าด้วยเถิดกษับดีอาราธนาพระมหาสาวกรับนิมนต์ด้วยดุษเนีแล้วกษับดีจึงนิมนต์พระสุธรรมเถระภายหลังว่าท่านขอรับแม้ท่านก็ขอนิมนต์ไปกับพระอัครส า, าวกด้วย มานะแห่งเจ้าอาวาสเกิดขึ้นแก่พระสุทธรรมว่าเราเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่แต่ขหบดีกลับนิมนต์เราทีหลังพระอคันตุกะขหบดีมิได้ให้ความสำคัญแก่เราเลยภายใต้บัญชาการของทิฏฐิมานะกิเลสร้ายนั่นเองพระสุทธรรมจึงกล่าวว่าอย่าเลยขหบดีขอท่านได้เลี้ยงพระอคะสาวกและพระอคันตุกะอื่นๆให้อิ่มนําสาราญเถิดอย่าได้พวงถึงอาตมาเลย อาตมาไม่สำคัญดอกพระคุณเจ้าอย่าทำอย่างนั้นเลยกหฮา บ, บดีอ้อนวอนอย่าทำให้ข้าพเจ้าเสียความตั้งใจเลยท่านเป็นผู้มีความสาคัญสำหรับอาวาสนี้เป็นอันมากแม้กะฮาบดีจะอ้อนวอนสักเท่าใดพระสุธรรมก็หายินยอมรับนิมนต์ไม่ในที่สุดจิตตกะหา บ, บดีจึงกล่าวว่าท่านขอรับท่านจะปรากฏ ด, ด้วยกรรมของตนเองดังนี้แล้วลีกไป วันรุ่งขึ้นกห บ, บดีก็จัดแจงเตรียมทยธรรมเพื่ออั克拉สาวกและพิสุตสงอ์อื่นๆอันตนนี้หม่นไว้แล้วฝ่ายพระสุธรรมในเวลาใกล้รุ่งคิดว่ากห บ, บดีจัดแจงสการะอย่างไรหนอเพื่ออั克拉สาวกเราควรไปดูพร้อมที่จิตอันรุ่มร้อนด้วยแรงฤทิ์ยานั่นเองพระสุธรรมไปเรือนของจิตตะกห บ, บดีแต่เช้าตรู่กห บ, บดีต้อนรับด้วยกริยาอ่อนน้อม และเชื้อเชิญด้วยวาจาว่าขอนิมน์นั่งก่อนเถิดขอรับแต่พระสุธรรมก็หาเอื้อเฟื้อต่อคำวิงวอนไม่กล่าวอย่างมีโทสะว่าเราไม่นั่งจกเที่ยวไปบินธบาตพลางตรวจดูสการะที่กหาบุดีเตรียมไว้เพื่ออัครสาวกทั้งสองประสงค์จะเสียสีกหาบุดีโดยชาติกำเนิดจึงกล่าวว่าสการะไยธรรมของท่านคราวนี้มีเหลือล้นคาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวจริงๆ อะไรหรือขอรับกห บ, บุดีถามด้วยความงงนขาดขนมแหลกงาพระสุธรรมพูดปล่อยออกมาอย่างจงใจเต็มที่ด้วยความรู้สึกว่าพระรูปนี้ควรได้รับบทเรียนอันสมควรแก่ความหยาบคายของตนกห บ, บุดีจึงกล่าวตำหนิพระสุทธรรมว่าเป็นผู้กล้าเหมือนกามิได้มีกายวาจาใจอ่อนโยนยิ่ยงสมณะที่ดีทั้งหลายพระสุธรรมโกรธมาก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 พระสุธรรมเถระกลับไปยังมัชิกาสนให้จิตตกะหาบดีอดโทษแต่จิตตกะหาบดีไม่ยอมอดโทษพระสุธรรมเก้อเขินกลับไปสู่สำนักพระาศาสดาอีกความจริงพระตถาคตเจ้าทรงทราบว่าอุบาสกจะไม่ยอมอดโทษพระสุธรรมแต่ทรงดาริว่าพระสุธรรมนี้กระด้างนักมีมาณะจัดนักมีพระประสงค์จะกำราบให้คลายมา n นะถอนทิฏฐิ จึงไม่ได้ทรงบอกอุบายในการขอขมาปล่อยให้พระสุทธรรมเดินทางไปมาสิ้นระยะทางหกยอดเพื่อให้เห็นความลาบากในการที่ต้องแบกทิฐิมานะของตนเมื่อพระสุทธรรมกลับไปเฝ้าอีกครั้งหนึ่งจึงทรงประทานพระอนุทูตเพื่อเดินทางไปด้วยก่อนออกเดินทางพระาศาสดาได้ทรงประทานพระโอวาทว่าสมณะไม่ควรใหมานะหรือริศยา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 นอกจากนี้ภิกษุผู้เป็นพานย่อมมีความปรารถนาเกิดขึ้นว่าขอคลือหัดและบรรพชิตทั้งหลายจงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ทำแล้วในอาวาสนี้เป็นเพราะเราผู้เดียวทำหรือเพราะอาศัยเรากิดน้อยใหญ่จึงสำเร็จลงได้เมื่อเธอคิดอยู่อย่างนี้ริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้น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 ยังประโยชน์ให้เกิดทั้งแก่จิตคหาบดีและพระสุทธรรมด้วยประการชนนี้